ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตรระภปภะบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันนาพระอมาภิรกิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวรรจนาต่อไปจะเป็นการกล่าวในขันธวัดว่าด้วยเรื่องของอุปชัยวัดวัดที่สิบเอ็ดในอุปชายวัดความว่า ภิกษุผู้เป็นสัจจิวิหาริ์พึงปฏิบัติชอบในอุปชาความปฏิบัติชอบอย่างนี้สัจจิวิหาริศคือภิกษุและสามเณรพึงลุกขึ้นแต่เช้าท่าสวมรองเท้าจงกรมอยู่พึงถอดรองเท้าเสียทำผ้าหม่มเฉวงบ่าข้าหนึ่งพึงให้ไม้สีปั่นให้น้ำล้างหน้าบ้วนปากแล้วปูอาสนะไว้ข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะนำข้าวต้มน้องเข้าไปให้ อุปชาฉันข้าต้มแล้วพึงถวายน้ําแล้วรับภาชนะข้าต้มมาทําโดยเคารพอย่าให้ประทบพูดสีล้างเก็บเสียด้วยดีเมื่ออุปชาลุกแล้วพึงรื้อเก็บอาสนะเสียถ้าอุปชาใครจะเข้าบ้านไต่พึงให้ผ้านุ่งและรับผ้าเปลี่ยนนุ่งพึงให้ประคดเอวพึงซ้อนผ้าอุตราสง์กับผ้าสังคติเป็นสองชั้นให้พึงล้างบาศแล้วให้ทั้งน้ําด้วย ถ้าอุปชาจำนงจะให้เป็นปัจฉาสมณะตามหลังไปด้วยสายพึ่งปิดกายให้มีมณฑลสามนุ่งให้เป็นปริมณฑลแล้วคาดกระคตเอวซ้อนผ้าให้เป็นสองชั้นหม่มคลุมกัดรังดุมล้างบาทถืออาบาตแล้วเป็นปัจฉาสมณะไปไภายหลังแห่งอุปชาอย่าเดินไปให้ไกลนักอย่าให้ใกล้นักคเนพออุปชาเหล๋ยวมาพูดด้วย ก้าไปก้าวหนึ่งสองก้าว่าถึงบาตอุปชาร้อนหรือว่าเต็มด้วยข้าวต้มหรือขา้าวสวยพึงรับบาตอุปชาเปลี่ยนบาตของตนให้อุปชาเมื่ออุปชาพูดอยู่อย่า ก, กล่าวคําสอดแทรกขึ้นในระหว่างระว่างเมื่ออุปชากล่าวคําใกล้ต่ออาบัตก็ทําดุจถามว่ากล่าวเช่นนี้ควรหรือไม่เป็นอาบัตหรือไม่ห้ามเสียอย่าห้ามด้วยคํากระโชคกระชั้น เมื่อจะกลับจากบ้านพึงกลับก่อนแล้วปูอาสนะไว้ตั้งน้ําล้างเท้าตัางรองเท้ากระเบื้องเช็ดถาไว้คอยท่าแล้วก็รกไปรับตาจีวรพึงให้ผ้าผัดนุ่งรับผ้านุ่ง ม, มาตาจีวรชุ่มด้วยเหงื่อไซพึงตาเสียในที่ร้อนครู่หนึ่งแต่อย่าตากทิ้งไว้ในที่ร้อนให้นานแล้วพึงพับเสียเมื่อจะพักจีวรพึงเหลื่อมมุมข้างหนึ่งให้เกินมุมข้างหนึ่งซักสี่นิ้ว แล้วจึงพับอย่าให้หักกลางพึงทําประกดเอวไว้ในขนดจีวรก็เพราะว่าพับอย่างนี้ถ้าพับหักกลางทุกวันทุกวันนี้มันก็จะเปื่อยตรงกลางนั่นถ้าพับเหลื่อมมุมไปสี่นิ้วสี่นิ้วทุกวันอย่างนี้มันก็จะสลับกันไปก็จะไม่เปื่อยเร็วตรงที่รอยพับถ้าบินทบาทมีอยู่อุปชาใคล้ายจะฉันไส่พึงให้น้ําแล้วพึงน้อมบินทบาตเข้าไปพึงถามอุปชาด้วยน้ําฉันอุปชาฉันแล้วพึงให้น้ําแล้ว พึงรับบาดมาถือทำให้ตำตำอย่าให้ครูดสีล้างเสียทำให้หมดน้ำได้ดีแล้วจึงตากไว้ในที่ร้อนครู่หนึ่งแต่อย่าตากบาด ท, ทิ้งไว้ในที่ร้อนให้นานแล้วก็พึงเก็บบาดจีวรเสียเมื่อจะเก็บบาดและจีวรก็พึงเก็บดังกล่าวแล้วในเสนาสนาวัดนั้นเถิดเมื่ออุปัชาลุกแล้วพึงเลิอกอาสนะเก็บน้ำล้างเท้าตางรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าเสีย ถ้าที่นั้นรกด้วยอยากเยื่อไสาก็พึงกว่าแทวเสียถ้าอุปชาใครจะส่งน้ําไสก็พึงจัดตั้งน้ําอาบให้ถ้าต้องการด้วยน้ําเย็นก็พึงจัดตั้งแต่น้ําเย็นถ้าต้องการด้วยน้ําร้อนก็พึงจัดตั้งน้ําร้อนให้ถ้าอุปชาใครจะเข้าเรือนฝไไ่ายใสก็พึงบดจนแช่ดินทาหน้าไว้แล้วถือตั่งสําหรับเรือนไ่ตามหลังอุปชาไปแล้วให้ตัง่งรับจีวรมาเก็บไว้ที่สมควรข้างหนึ่ง พึงให้จุลให้ดินธาต้าท่าสหาหะโยพึงเข้าไปในเรือนไฟด้วยเมื่อจะเข้าไปพึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วในชันตาคารวัตเถิดพึงทําบริกรรมบีบนวดให้อุปชาในเรือนไฟเมื่อจะออกมาพึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วในชันตาคารวัตเถิดพึงทําบริกรรมขัดสีให้อุปชาในน้ําด้วยอาบน้ําแล้วพึงขึ้นมาก่อนทําตัวของตนให้หมดน้ําแล้วจึงนุ่งผ้า แล้วก็พึงเช็ดน้ําที่ตัวของอุปชาและพึงให้ผ้าโนง่งให้ผ้าสังฆาติพึงถือเอาวต่างสําหรับเรือนไปมาตั้งไว้ก่อนพึงตั้งน้ําล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้ท่าพึงถามอุปชาด้วยน้ําฉันถ้าใครจะเรียนบาลีก็พึงให้อุปชาแสดงบาลีขึ้นถ้าใครจะไต่าถามเรียนอัจฉริยะก็พึงไต่าถามเรียนอุปชาอยู่ในวิหารกุฎีใดถ้าวิหารกุฎีนั้นรกด้วยอยากเยื่อ ถ้าอุตสาหะอยู่พึงชมระปัดกวาดเสียเมื่อจัดชมรักกุดีพึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วในเสนาสนาวัตจงทุกประการจนถึงตักน้ำไว้ในหม้อชมระเถิดถ้าความกระสันไม่ยินดีในพรหมจรรย์อยากศึกเกิดขึ้นแก่อุปชาไซให้สติวิหาริกพึงพาไปเที่ยวในที่อื่นหรือวางทิกตุอื่นให้พาไปเที่ยวเสีย หรือท ำ, ทำธรรมกถานมโน้หมาวให้อุปชาหายประสนถ้าความรําคาญรังเกียจสงสัยให้เกิดขึ้นแก่อุปชาให้สัิวิหาริษพึงบรรเทาเสียหรือวานิตุอื่นให้ช่วยบรรเทาเสียหรือทำธรรมมักระถาให้อุปชาระ ง, งับเสียถ้าทิฏฐิความเห็นผิดเกิดขึ้นแก่อุปชาใช้ให้สัิวิหาริษว่ากล่าวให้ตละเสียหรือวานทิฏฐิอื่นให้ว่ากล่าวให้ตละเสีย หรือทำธรรมกถาให้อุปชาตัณฑ์เสียถ้าอุปชาต้องครุธรรมคือสังคฆาดิเศษเป็นผู้ควรปริวาทหรือว่าอยู่ปริวาทต้องอันตราบัติอตบัติในระหว่างเป็นผู้ควรมูลายะปฏิการนาชักขหาบัติเดิมหรืออยู่ปริวาทแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัตหรืออยู่มานัตแล้วเป็นผู้ควรแก่อัปทานกรรมก็คือการเรียกเข้าหมู่อยู่มานัตกนับราตีอีกหกราตรีอยู่ปฏิบัติเคี่งครับมากขึ้น อยู่ได้ร้อยแลนวก็สมควรกับการอภิธานเรียกข้ามูได้ละจิตเหล่านี้ให้สัตว์ทีวิหาริษพึงทําความผ่อนผายว่าชไหนสงจะพึงให้ปริวาสและมูลายะปฏิการะและมานัตและอภิธานแกอุปชาดังนี้ถ้าสงใครจะทําตัดชนิยกรรมก็คือตําหนิจิตเตียนหรือนิยสกา ร, รก็คือลดยศลดตําแหน่งหรือปัปภาชนิยกรรมก็คือขับไล่ออกจากวัด หรือปฏิสารณิยกรรมก็คือลงโทษให้ไปขอขมาโทษกับเพื่อนหักแต่ว่าร้ายติเตียนเขาหรืออุกเขปนิยกรรมก็คือยกออกจากหมู่ด้วยการที่ไม่เห็นอาบัติไม่แสดงคืนอาบัติแต่ว่ามีทิฏฐิอันชั่วไม่สละคืนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่อุปชาใช้กรรมเหล่านี้เป็นสังกรรมที่เอาไว้ลงโทษสําหรับกุผู้ทําความผิดให้สัจทิวิหาริกพึงทำความผดผายว่าเชนไหนสงจะไม่พึงทํากรรมแต่อุปชา หรือจะน้อมไปเพื่อเป็นกรรมเบาดังนี้ถ้ากรรมนั้นสงทําแก่อุปชาแล้วใสให้สธิวิหาริสพึงทําความผลฝ่ายว่าเช่ไหนอุปชาจะพึงปฏิบัติชอบสงจะพึงระมับกรรมนั้นให้ดังนี้ถ้าจีวรแห่งอุปชาจะต้องซักหรือจีวรอุปชาจะต้องทําหรือน้ําย้อมอุปชาจะต้องต้มหรือจีวรอุปชาจะต้องย้อมกิจเหล่านี้ให้สัธิวิหาริกพึงทําให้ หรือสติวิหาริศพึงทำความผ่อนวายในกิจเหล่านี้เมื่อจะย้อมจีวรแห่งอุปชาพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาด้วยดีเมื่อตากแถวน้ำย้อมในจีวรยังไม่ขาดอย่าพึ่งรลีกไปเสียเฝ้าอยู่ก่อนไม่บอกอุปชาอย่าให้บาดให้จีวรให้บริหารและโกนผมให้และทำบริกรรมให้และทำความผ่อนายให้แกคนบางคน ก็คือคนที่ไม่เป็นสภาคาเป็นวิสภาคากับอุปชาในีาา่ยนะไม่ค่อยถูกกันไม่ควรไปทําให้ท้านมีบอกอุปช า, าก่อนและอย่ารับบาตรับจีวรรับบริขารของคนบางคนและอย่ายังคนบางคนให้โกนผมให้ให้ทำบุตรกรรมให้ให้ทําความผวนขวายให้แก่ตนและอย่าเป็นปัจฉาสมณะตามหลังคนบางคนหมายถึงทำพิจูด้วยกันอย่าถือเอาคนบางคนมาเป็นปัจฉาสมณะ อย่านำบิดฑบาตไปให้แก่คนบางคนอย่าให้คนบางคนนำบิดาบาตมาให้ซึ่งว่าคนบางคนนั้นประสงค์เอาคนที่เป็นวิสภาคะไม่ชอบแก่อุปชาต้องบอกอุปชากรจึงทําการเหล่านี้ได้เดี๋ยวเกิดอุปชาไม่พอใจขัดเคืองก็ไม่สอนธรรมะวินัยให้และไม่บอกลาอุปชากร อ, อย่าพึงเข้าไปบ้านอย่าพึ่งไปป่าช้าเพื่อจะอยู่หรือว่าจะดูอย่าพึ่งไปจูทิศ ใครจะเข้าไปบ้านหรือว่ากินธบาศหรือด้วยกิจอื่นพึงบอกอุปชาก่อนจึงเข้าไปถ้าอุปชาปรารถนาจะลุกขึ้นแต่เช้าไปยังที่พิขาจารย์ไกลไซอุปชาก็พึงบอกว่าพิคตัวนมจงเข้าไปบิณธบาตเธดิดดังนี้ก่อนแล้วจึงไปเมื่อไม่บอกดังนี้แล้วไปเสียสติวิหาริกไปที่บริเวณไม่เห็นอุปชาจะเข้าไปบ้านก็ควร ถ้าแม้ว่าเข้าไปเห็นเข้าไซตตั้งแต่ที่เห็นจะบอกลาก็ควรสาธิวิหาริกใคร่จะหลีกไปยังทิศที่อื่นพึงบอกลาแล้วอ้อนวอนลาสามครั้งถ้าอุปชาอนุญาตก็เป็นความดีถ้าไม่อนุญาตไซตแม้เมื่ออาศัยอุปชาอุทเทศหรือปริกุฉาหรือกรรมฐานหรือการปารุปความเพียรเหล่านี้ไม่บริบูรณ์อุปชาเป็นพานไม่ชนดเป็นแต่ไม่ยอมให้ไปด้วย ไข่จะให้อยู่ในสมรรถของตนอย่างเดียวเท่านั้นอุปชาเช่นนี้แม้ห้ามอยู่จะไปก็ควรถ้าอยู่กับอุปชาแล้วก็ไม่ได้รู้ทำมั่ววินัยอะไรไม่ได้เจริญกรรมฐานอะไรจะไปเรียนที่อื่นก็ไม่ยอมให้ไปด้วยอย่างนี้ถ้าลาสามครั้งแล้วไม่ให้ไปก็ไปได้เลยไม่มีอบัติถ้าอุปชาเป็นไข้ไซพึงอุปถาตลอดชีวิตพึงคอยท่าอยู่กว่าจะหายไขย่อย่าพึงไปในที่ใด ถ้าพิจูผู้อุปถาคื่นมีอยู่ไซพึงสแสวงหายาให้ไวในมือของพิจูนั้นแล้วบอกว่าเธอองค์นี้จักอุปถาคแล้วจึงค่อยไปสติวิหาริกจะพึงปฏิบัติ ด, ดีในอุปชาทั้งหลายอย่างไรนี้และเป็นอุปชายวัดแห่งสติวิหาริกดังนี้แหลอุปชายวัดต่างจบต่อไปวัดที่สิบสองเป็นสติวิหาริกวัดในสติวิหาริกวัด ความว่าอุปชาพึงปฏิบัติชอบในสัจทิวิหาริกความปฏิบัติชอบอย่างนี้อุปัชาพึงสงเคราะหพึงอนุเคราะห์สัจทิวิหาริสด้วยอุทเทศคือบอกบาลีด้วยปริบุจรชาคือบอกเนื้อความแห่งบาลีก็คืออัจฉริยะนั่นเองและด้วยโอวาคือสั่งสอนด้วยอนุสาสนีคือพร่ำสอนหนึ่งเนืองถ้าบาและจีวรณสำนักบริหารอื่น ซึ่งเหลือเฟือมายถึงว่ามีมากของอุปชาเนียมีมากของสัตว์ทิวิหาริศไม่มีใจอุปชาพึงให้หรือพึงทำความขนขวายว่าฉไหนาบาทและชีวรและสมณบริขารจะพึงเกิดขึ้นแก่สัตวทิวิหาริศดังนี้ถ้าสัตว์ทิวิหาริศเป็นไข้ไซให้อุปชาพึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วในอุปชัยวัตรทุกประการเธอด้วยว่าตั้งแต่ให้ไม้สีฟันไปเหมือนด้วยอุปชัยวัตรทุกข้อ เว้นแต่อุปชาไม่ต้องบอกลาสัตยิวิหาริกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสัตย์วิหาริกป่วยนี่ก็ต้องไปเป็นปัจฉาสมณะนะล้างบาศให้ซักจีวรให้อะไรให้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดสัตย์วิหาริกป่วยเนี่ยต้องทํายกเว้นแต่ไม่ต้องบอกลาคระบ้านอะไรเฉะนั้นตั้งแต่ให้ไม้สีฟันไปจนสร้งถึงตักน้ําไว้ในหม้อชมระวัดเหล่านี้อุปัชาพึงทําแก่สัตย์ที่วิหาริกเมื่อเป็นไข้ยอย่างเดียว แต่พาสัตวิหาริกไปเที่ยวรำนับความประสันเป็นต้นไปแม้สัตวิหาริกไม่เป็นไข่อุปชาต้องทำแท้สักจีวรต้มน้าย้อมย้อมจีวรนเหล่านี้อุปชาพึงสอนสัตวิหาริกให้ทำเถิดอุปชาทั้งหลายจะพึงปฏิบัติชอบในสัตวิหาริกอย่างไรนี้และเป็นสัตวิหาริกวัดของอุปชาดังนี้และสัตวิหาริกวัดตังจบ วัดที่สิบสามก็คืออาจาริยวัดในอาจาริยวัดความว่าอันเทวาสิกผู้ถือนิสัยอยู่ด้วยกับอาจารย์พึงปฏิบัติชอบในอาจารย์ความปฏิบัติชอบในอาจารย์เหมือนกับอุปชัยวัดทุกประการเลยอาจารยก็ให้อันเทวาสิกปฏิบัติในอาจารย์เหมือนกับสัตยิปหาิกปฏิบัติในอุปชานั่นเองอาจารยวัดต่างจบวัดที่สิบสี่ก็คืออันเทวาสิกวัร ในอันเทวาสิกวัตรความว่าอาจารย์ผู้ให้นิสัยสปรปฏิบัติชอบในอันเทวาสิกความปฏิบัติชอบในอันเทวาสิกก็เหมือนกับสัตยิวิหาริกษวัตรทุกประการก็คืออุปชาต้องปฏิบัติต่อสัตยิมหาริกอย่างไรอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติต่ออันเทวาสิกอย่างนั้นก็มีสองคู่ลูกศิษย์อาจารย์ก็คืออุปชานั้นก็เป็นผู้ที่บวชให้แก่สัตยิมหาริกสัตยิมหาริกก็เป็นลูกศิษย์ของอุปชาอุปชาหมายถึงผู้ที่ โดยเพ่งโทษน้อยโทษใหญ่ให้พ้นจากโทษเหล่านั้นแก่ลูก ต, ติดส่วนสัตยิหาริกก็หมายถึงว่าผู้ที่อยู่ร่วมกับอุปชาโดยอาศัยอยู่ร่วมเพื่อจะประพฤติ ธ, ธรรมวินัยลูกติดอาจารย์คู่หนึ่งส่วนอาจารย์อาจารย์ก็หมายถึงผู้ที่ยังไายกรรมจีกรรมหรือว่ายังข้อวัดให้บริบูรณ์อย่างลูกติดให้มีการประพฤติด้วยกายด้วยวาจาอบรมกายวาจาให้แก่ลูกติดแล้วก็อันเทวาศิกหมายถึงผู้ที่อยู่ภายใน ผู้ที่อยู่ภายในก็เพื่อที่จะได้ศึกษาเพื่อทำวินยัยตามคําสอนของสมมาสามปุถิเจ้านั่นเองอยู่ภายในคําสอนของอาจารย์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีของคู่ด้วยกันอันเตวัสิกะวัตตังจบในวัดทั้งสิบสี่นี้พิจตุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อไม่ทําตามเป็นทุกข์กดในขณะเมื่อปลงจิตจะไม่ทําทุกวัดไปแต่ในข้อใดเป็นคําปฏิเสธห้าม ประกอบด้วยคำว่าณอัศร์แปลว่ายายาหรือว่าไม่ไม่นั้นขืนทําในข้อนั้นนั้นเป็นทุกกฎในขณะเมื่อล่วงทุกข้อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของขันธกัวัตขันธกัววัตตังจบต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการขอนิสัยแล้วก็เป็นเรื่องของการระงรับนิสัยต่างๆกุลบวชพู้จะบวบ โกนผมปรงหนวดแล้วรับผ้าตาสายะแต่พิกจุมานุ่งห่มแล้วรับสรณคมในสำนักพิจุแล้วและนั่งยองไหว้เท้าทั้งสองยกมือประนมในสำนักพิจุใดแล้วกล่าวว่าอุปัชาโยเมพันเตโหหิท่านจงเป็นอุปชาแห่งข้าพเจ้าดังนี้แล้วพิกจุนั้นให้โกดบุตรนั้นรู้ความด้วยคําว่าสาหุหรือว่าลหุ หรือว่าโอปาญิกังหรือปฏิรูปังหรือปาสาธิเกณะสัมปาเดหิตเหล่านี้ด้วยบทใดบทหนึ่งก็คือเบาใจเถิดไม่ต้องกังวลจงทำตนให้มีความเรื่มใสให้ถึงพร้อมเถิดด้วยบทใดบทหนึ่งก็ได้ทิกตุผู้ให้รู้นั้นชื่อว่าอุปั ช, ชาส่วนกุลบุตรผู้ขอนั้นจะเป็นสามเณรอยก็ตามหรือว่าจะเป็น ผู้ที่ได้อุปสมบทขึ้นเป็นที่สุปตามชื่อว่าสัตว์ทิวิหาริกอุปชาก็พุกเพลงเริงทวดน้อยโทษใหญ่สัตทิิหาริกสมายถึงผู้อยู่ร่วมสัตว์ิวิหาริกนั้นพึงปฏิบัติด้วยดีในอุปชาถ้าไม่ปฏิบัติด้วยดีต้องทุกกดสัตว์ิวิหาริกเมื่อไม่ทําวัดตั้งแต่ให้ไม้สีฟันมาจนถึงย้อมจีวรความเสื่อมย่อมมีแก่อุปชาเพราะเหตุนั้นสัตว์ทิวิหาริกเมื่อไม่ทําวัดนั้น แม้เป็นนิสัยมุตตะแล้วกหมายถึงพ้นนิสัยแล้วหรือยังไม่พ้นก็ดีคงเป็นอาบัติแท้ถ้าไม่ประพฤติข้อวัดเหล่าดีจะพ้นนิสัยหรือไม่พ้นนิสัยก็เป็นอบัตเมื่อไม่ทําวัด ต, ตั้งแต่ไม่บอกอุปชาตอนห้บาจีวอนเป็นต้นแก่คนบางคนไปยังไม่พ้นนิสัยอย่างเดียวจึงเป็นอบัตถ้าพ้นนิสัยแล้วก็ไม่ต้องอบัตละอุปชาไม่ปฏิบัตดิดีในสัจพิหาริปก็เป็นอบัตทุกอดแก่อุปชา อุปชาปฏิบัติดีสัตวิหาริกทั้งหลายไม่ปฏิบัติดีเป็นอาบัตแก่สัิหาริกทั้งหลายนั้นเมื่ออุปชายินดีวักอยู่สัิวิหาริกแม้มากด้วยกันไม่ทําเป็นอาบัตด้วยกันทั้งหมดเลยถ้าอุปชากล่าวว่าคนผู้อุปชาของเรามีอยู่ท่านทั้งหลายจงทําความเพียรในการสาธยายและมนุิการเป็นต้นของตนเถิดดังนี้ไงไม่เป็นอาบัตแก่สัิวิหาริกทั้งหลาย อุปชาไม่รู้ซึ่งจะยินดีหรือไม่ยินดีวัดเป็นคนขาวอยู่สาิติวิหาริกมากด้วยกันองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยวัดปฏิบัติถ้าทำเอาเป็นภาระตนเสียว่าข้าพเจ้าจะทากิจแก่อุปชาท่านทั้งหลายจงมีความผลขวายน้อยเถิดดังนี้แล้วก็ปล่อยีิสุตอื่นไปไซตตั้งแต่เธอนั้นทำเป็นภาระของตนไปไม่เป็นอบัตแก่สถิวิหาริกเหล่านั้น เพกสุผู้ไม่มีอุปชาข อ, อนิสัยโดยอาการดังกล่าวแล้วก่อนในสำนักที่สุซึ่งเป็นพระหูสตรมีภาษาสิบองคดใด้วยคำว่าอาจาริโยเมพันเตโฮหฮิอายสมโตนิซาวัวชามิดดังนี้แล้วเพ็กสุนั้นให้รู้ความด้วยคำว่าสาหุเป็นต้นไปบในใดบนหนึง่งเคดนั้นชื่อว่าอาจารย์ผู้ให้นิสัยอันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับอุปชาแล้ว นันก็มาขอนิสัยกับอาจารย์คนนี้ให้นิสัยนี้ก็ชื่อว่าเป็นอาจารย์ผู้ที่ให้นิสัยผู้ขอนิสัยก็ชื่อว่านิสยันเตวาสิกเป็นลูกศิษย์โดยการขอนิสัยถือนิสัยแปลว่าติดอยู่ภายในด้วยนิสัยซึ่งจะเป็นอาบัติแก่อันเตวาศิกเช่นนั้นให้พึงรู้โดยลักษณะอันกล่าวแล้วในสัตยุหาริปไม่ทาวัดแก่อุปชานั้นเถิด ด้วยว่านิสยันเตวาติผู้ที่อาศัยอยู่ยังอาศัยอาจารย์อยู่ตราบใดต้องทำอาจรรยวัตอยู่ตราบนั้นแต่ตับทัชชันเตวาติสิทธิ์ผู้รับสารณาคมจะบวชเป็นสามเณรและอุปสำปดันเตวาติสิทธิ์ผู้ที่ท่านสวจกรรมวาจาเป็นอุปสำบัญทิกฐุและทรมมันเตวาติสิทธิ์ผู้เรียนทำสามนี้ แม้เป็นนิสัยมุตตะ ก, ก็คือพ้นนิสัยแล้วก็ยังต้องทําอาจารยวัตดอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงจอมกีวร อ, อันนี้แม้ว่าพ้นนิสัยแล้วนิสยันเตวาสิก น, นี้ต้องทําวัดตลอดที่ยังถือนิสัยอยู่แต่ว่าสําหรับปัปพัฒ ช, ชันเตวาสิกก็คือลูกศิษย์ที่ได้รับการบวชในอุปสมบทันเตวาสิกลูกศิษย์ที่ได้รับการบวชเป็นพระเราอุปชาเนี่ยแหละแล้วก็ทํามันเตวาสิกลูกศิษย์ที่เรียนทำ แม้จะพร่นนิสัยแล้วก็ต้องปฏิบัติข้อวัดกับอาจารย์อยู่เหมือนเดิมยังต้องทําอาจาริวัดอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงย้อมชีวรแต่ในวัดเป็นต้นว่าไม่บอกอาจารย์ก่อนจึงให้บาชีวรนแต่คนบางคนไปไม่เป็นอาบัตแก่อันเตวาสิกสามจำพวกนั้นก็คือปัปปัชชันเตวาสิกอุปสัมปันเตวสิกแล้วก็ทำมันเตวาสิกต่อไป ปัจพัทธชันเตวาสิกลูกศิษย์ที่บวชโดยการบวชเนนอุสปสมบทันเตวาสิกลูกศิษยที่บวชเป็นพระสองนี้เป็นภาระอยู่แก่อาจารย์ตราบเท่าสิ้นชีวิตเลยแต่นิสยันเตวารสิกกับธรร ม, มันเตวารสิกสองนี้อยู่ในที่ใกล้อาจารย์ตราบใดเป็นภาระอยู่แก่อาจารย์ตราบนั้นเพราะเหตุนั้นแม้อาจารย์ก็พึงปฏิบัติ ด, ดีในอันเตวารสิกทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยว่าในอาจารย์และอันเตวสิกทั้งหลายผู้ใดไม่ปฏิบัติดีตามวัดเป็นอบัติแก่ผู้นั้นเพราะพระองค์ประสงค์จะให้เคารพแก่กันจึงได้ทรงอนุญาตอุปชาและอาจารย์ไว้ดังนี้ว่าเราตถาคตอนุญาตอุปชาเราตถาคตอนุญาตอาจารย์ดูก่อนพิกูจทั้งหลายอุปชาและอาจารย์จักตั้งกิจว่าเป็นบุตรของเราด้วยความรักในสัตวิหาริยและอันเตวสิก สัจธมิหาริสอันเตวาศิกจักตั้งจิตว่าเป็นบิดาของเราด้วยความรักในอุปชาและอาจารย์เมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายนั้นจักเคารยพยำเกรงแก่กันและกันจักมีความเลี้ยงชีพเสมอกันและจักถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวิไนนี้เพราะเหตุ น, นั้นควรจะปฏิบัติดีในการและกันต่อไปก็จะเป็นการระงับนิสัยจากอุปชาซึ่งมีห้าประการด้วยกัน อันหนึ่งความระ ง, งับนิสัยจากอุปชามีห้าอย่างก็คือหนึ่งปักกันโตวาโหติอุปชาหลีกไปสู่ทิศจากอาวาสเสียออกจากวัดไปในยที่ลูกศิษ์คือสัตยิหาริกไม่ได้ไปด้วยก็นิสัยระ ง, งับเหมือนกันข้อที่สองวิพันโตวาหรืออุปชาศึกเสร็จแล้วจะศึกก็นิสัยก็ระ ง, งับ ข้อที่สามการล ะ, ะโตวาหรืออุปชาถึงการเสียแล้วก็คือการละถึงการละตายตายก็นิสัยก็เลยงับข้อที่สี่ปักขะสังกันโตวาหรืออุปชาก้าวไปสู่ปักคือไปเป็นผู้เดียร์ถีเสียก็นิสัยถึงงับเหมือนกันข้อที่ห้าอัติเยวะปัญจะมีสั่งบังคับก็คือตัดทิหาริประกอบที่องค์ที่เป็นโทษห้าอุปชาก็เลยตำหนานิสัยเสีย เป็นที่ครบห้านะซึ่งว่านิสัยระงับก็ทําให้นิสัยระงับขัดนิสัยไม่ได้ถือนิสัยด้วยอุปชาแคร่จะอยู่ปราจากอาวาหลีกไปตู่ทิศนั้นเมื่อท่านไปแล้วถ้าในวิหารนั้นอาจารย์ผู้ให้นิสัยใดมีอยู่ไซแม้ในการก่อนเคยถือนิสัยอยู่ในสํานักผู้ใดก่อนแล้วหรือว่าผู้ใดมีสามโภคะและปริโภคะอันเดียวกันได้ ก็พึงถือนิสัยในสำนักแห่งอาจารย์นั้นไม่มีบริหารคุ้มได้แม้แต่วันหนึ่งถ้าเกิดอุปชาออกจากวัดไปแล้วคุ้มวันเดียวก็ไม่ได้ถ้าอาจารย์ไม่มีใจภิกษุอื่นเป็นลัคคีมีศีลเป็นที่รักมีอยู่เมื่อรู้ว่าเธอนั้นเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักอยู่ก็พึงข อ, อนิสัยกับเธอนั้นในวันนั้นแทนถ้าเธอนั้นให้ก็เป็นการดีถ้าเธอถามว่าอุปชาของท่านจากมาเร็วอยู่หรือ ถ้าแลอุปชาต่างไว้ว่าจักมาเร็วไซส์ก็พึงบอกว่าท่านจักมาเร็วถ้าแลเธอนั้นกล่าวว่าด้วยเหตุนั้นท่านจงคอยให้อุปชามาเธอดังนี้ควรอยู่ก็อยู่ได้เพราะว่าขอนิสัยแล้วท่านบอกให้รออุปชาก็ได้ขออ้างถ้าแลไม่รู้อยู่โดยปกติว่าเธอนั้นมีสิ่นเป็นที่รักก็พึงสังเกตดูว่าเธอนั้นจะเป็นสภาคระันอยู่หรือไม่เป็นสัก 4-5 ห้าวันก่อนแล้วจึงให้เธอทำโอกาสถือนิสัยในเธอถ้าแรในวิหารผู้ให้นิสัยก็ไม่มีไซแต่อุปชาบอกไว้ว่าเราจะไปสักสองามวันเธออยากกระสันเลยดังนี้ได้บริหารคุ้มอยู่กว่าท่านจะกลับมาก็ไม่มีอ บ, บัตเพราะว่าไม่ได้ถือนิสัยเพราะว่าท่านบอกเอาไว้แล้วถ้าแม้ทายกเขานิมนต์อุปชาให้อยู่ที่นั้นอีกห้าวันหรือสิบวันยิ่งกว่าการกำหนดขึ้นไป อุปชาพึงส่งข่าวมาในวิหารว่าทิกสุหนุ่มทั้งหลายอยากกระสันเลยเราจะมาในวันโน้นแม้ดังนี้ก็ได้บริหารคุ้มอยู่ได้เหมือนกันจึไม่ต้องอาบัตในการไม่ได้ถึงไซเมื่ออุปชากลับมาถ้ามีความวุ่นวายขึ้นในกลางทางด้วยน้ำเต็มแม่น้ำหรือว่าโจรเป็นต้นไซอุปชาคอยน้ำลดอยู่หรือแสวงหาสหายอยู่ถ้าทิกุหนุ่มได้ฟังข่าวนั้นอยู่ไซ ได้บริหารอยู่กว่าท่านจะมาเหมือนกันก็คื อ, อยังไม่ต้องอบัดไม่ต้องถืงในิสัยก็อยู่ได้ไม่ต้องอบัิท่านแลอุปชาส่งข่าวมาว่าเราจะอยู่ในที่นี้แท้ดังนี้บริหารไม่มีเลยต้องไปถึงในิสัยแล้วเคยได้ในิสัยในที่ใดเพิงไปในที่นั้นแต่ซึ่งอุปชาศึกคือเคลื่อนจากาศาสนาหรือถึงแก่การะหรือไปเป็นเจรถีเสียทั้งสามนี้บริหารแม้จากวันหนึ่งก็ไม่มีเลย ถ้าเกิดลาสิกขาไปหรือว่าตายหรือว่าไปเข้าดิเอตเดียตถีนี่ก็ต้องไปถึงนิสัยใหม่เคยได้นิสัยในที่ใดพึงไปในที่นั้นเถิดซึ่งว่าประนามผลักนิสัยเสียนั้นสัิวิหาริกไม่ปฏิบัติดีอุปชาพึงประนามผลักเสียด้วยคําว่าปะนาเมมิตังเราขอประนามเธอถือว่ามาอิทะปกรรมิเธอจงรีไปจากที่นี้หรือว่านีหระเตะปตะกีวรัง ก็คือเธอจงนําบาตรจีวรของเธอไปหรือว่านาหังตยาอุปถาตับโบเธอไม่ต้องมาอุปทานเราแล้วนะเหล่านี้บทใดบทหนึ่งก็ดีหรือด้วยคําพ้นบาลีเป็นต้นว่าท่านอย่าบอการเข้าไปบ้านกับเราเลยดัยงนี้ชื่อว่าถักนิสยัยเสียนิสัยก็เป็นอันระนับเธอนั้นถึงให้อุปชาอดโทษเสียถ้าอุปชาไม่อดโทษ แต่ต้นไปไซเธอนั้นพึงทำธนกรรมตนเองก็คือลงโทษตัวเองเป็นต้นว่าตักน้าขนตายแล้วขอขมาโทษเองสามครั้งก่อนทาถึงสามครั้งเลยนะถ้าท่านไม่อดโทษให้ไซพึงพาพระมหาเถระในวิหารนั้นมาช่วยขอขมาโทษให้ถ้าแม้ท่านก็ไม่อดโทษให้อีกเล่าไไซก็พึงพาภิกษุทั้งหลายในวิหารใกล้มาให้ขอขมาโทษให้ ถ้าแม้ดังนี้ท่านก็ไม่อดโทษเล่าตายแสดงว่าโทษหนักมากเลยนะแล้วก็มีบรรดาบด้วยนะถ้าภิกษุขอเข้ามาโทษแล้ว อ, อุปช า, าไม่อดโทษให้มีอุปชามีอาบัตถ้าลูกติดไม่ขอโทษนี่ก็ต้องอับัตเหมือนกันถ้าเกิดท่านไม่อดโทษให้เราตายก็พึงไปในที่อื่นแล้วอยู่ในสำนักภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นสภาฆะแก่อุปชาด้วยคิดว่าชะไหนอุปชาแม้รู้ว่าอยู่ในสำนักภิกษุเป็นสภาฆะกันกับตนจะพึงอดโทษให้ แม้ดังนี้ท่านก็ไม่อดโทษเล่าไส้ก็พึงอยู่ในที่นั้นทีเดียวเถิดถ้าไม่อาจอยู่ในที่นั้นได้ด้วยโทษเป็นต้นว่าข้าวแพงไซสก็เป็นฤดูที่อดอยากพวกทุพพิกภพเ ก, กิดขึ้นจะกลับมาวิหารเดิมนั้นแล้วก็ถือนิสัยในสำนักที่ตัวอื่นอยู่ก็ควรแต่เกิดท่านไม่ยอมเกิดผูกอาฆาตไม่ยอมอดโทษให้จริงๆมันก็ไปถือนิสัยกับผู้อื่นนั่นนี้ก็ได้ อันนี้เป็นวินิจฉัยในนิสัยระงับจากอุปัชานิสัยระงับจากอุปชามีห้าข้อส่วนความระงับนิสัยจากอาจารย์นั้นจะมีหกข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งอาจารย์หลีกไปสู่ทิศเหมือนกันข้อที่สองก็นาศิกขาเคลื่อนจากศาสนาเสียข้อที่สามก็ทํากาลละก็คือตายเหมือนกันข้อที่สี่ก็หลีกไปเป็นเดร ถ, ถีเหมือนกันข้อที่ห้าก็ประนามนิสัยเหมือนกันหมดเลย ส่วนข้อสุดท้ายข้อที่หกก็คืออุปัชาเยนะวาสโมโอทานคโตก็คือถึงความตั้งลงในที่อันเดียวกันกับอุปชาก็คือได้พบอุปชานั่นเองเมื่อได้พบอุปชาก็ถือว่านิสัยจากอาจารย์ก็ขาดเป็นการระงับนิสัยจากอาจารย์เมื่อประชุมกับอุปชาพบอุปชาเมื่อไหร่ซึ่งว่าหลีกไปสู่ทิศนั้นบางอาจารย์บอกก่อนจึงหลีกไปบางอาจารย์ไม่บอกแม้อันเทวาสิทก็เหมือนกัน ท้าแลอันเตวสิกบอกลาอาจารย์ว่าข้าพระเจ้าอยากจะไปในที่โน้นด้วยจิตอันหนึ่งอาจารย์ถามว่าจะไปเมื่อไรบอกว่าจะไปในเวลาเย็นหรือจะลุกขึ้นไปในกลางคืนแม้อาจารย์รับคำว่าดีแล้วนิสัยก็เป็นอันระงับในขณะนั้นทันทีเลยนะยังไม่ได้ไปก็นิสัยระงับนะท้าแลลาว่าอยากจะไปในที่โน้นอาจารย์ว่าท่านเที่ยวบินทบารในบ้านโ้นแล้วจะรู้ในภายหลัง อันเตวสิกนั้นรับว่าดีแล้วถ้าแลไปจากบ้านนั้นชื่อว่าไปด้วยดีก็คือไปบิดตะบัดแล้วอนะเมื่อไปปิดตะบัดแล้วก็วไปก็ไปได้ดีละนิสัยก็ระงับไปถ้าแลไม่ไปนิสัยไม่ระงับถ้ายังไม่ไปก็นิสัยยังไม่ระงับเพราะว่าเมื่อปรึกษากันแล้วว่าจะไปจาก บ, บ้านนั้นแล้วถึงจะระงับถ้าแม้ลาว่าจะไปอาจารย์ว่าอย่าเพิ่งไปก่อนในกลางคืนก็ปรึกษาใจดูจึงจะรู้ เมื่อศึกษาแล้วไปเราชื่อว่าไปได้ดีนิสัยระงรับถ้าไม่ไปใสนิสัยก็ยังไม่ระงรับแต่ไม่บอกลาอาจารย์ดีกไปถ้าเกิดไม่บอกลาเนี่ยหลีกไปเลยล่วงอุปจาระศีมานิสัยต้เป็นอันระงรับเลยเ <ME> มื่อกลับเสียแต่ภายในอุปจาระศีมาไม่ระงรับหรือเอาอุปจาระศีมาเป็นเกณฑ์ถ้าไม่ได้บอกลา <S <S ถ้าแลอาจารย์บอกอันเทวสิกว่าเราจะไปที่นู้นแต่อันเทวสิกถามว่าจะไปเมื่อไหร่ บอกว่าจะไปในเวลาเย็นหรือว่ากลางคืนก็ตามแม้อันเตวสิกก็รับว่าดีแล้วถ้าอันเตวสิกเป็นฝ่ายรับบ้างว่าเออดีแล้วครับไปเถอะนิสัยก็ระงับในขณะนั้นเหมือนกันในขณะที่อาจารย์บอกถ้าอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้เที่ยวบินทบานแล้วจึงจะไปส่วนอันเตวสิกรับว่าดีแล้วนิสัยยังไม่ระงับวันหนึ่งก่อนเพราะว่าบอกแล้ว ว, ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บินทบานแล้วจะไปตอนในวันช่วงนี้จึงเป็นอันระงับเมื่อบินทบานแล้วไปก็ระงับเลย อาจารย์บอกว่าจะเที่ยวไปบินทบาทในบ้านนั้นแล้วจึงจะรู้ว่าจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปไซนิสัยก็ไม่ระงรับถ้าแม้บอกว่าจะไปอันเทวสิษย์กล่าวว่าอย่าเพิ่งไปก่อนนะครับกลางคืนท่านปรึกษาใจดูจึงจะรู้แม้ปรึกษาใจแล้วไม่ไปนิสัยก็ไม่ระงรับถ้าอาจารย์และอันเทวสิษย์ทั้งสองไปนอกสีมาด้วยกิตอันหนึ่ง ถ้าอาจารย์เมื่อจิตคิดจะไปเกิดขึ้นแต่ที่นั้นไม่บอกเลยและไปแล้วกลับเสียในภายในสองเรตุบาทนี้ใสยแม่กระนับเพราว่าสองเรตุบาทนี้ก็ถือว่าเป็นอุปจาระกนุจจาระ <whiskey. S 1> ถ้าล่วงสองเรตุบาทออกไปแล้วจึงกลับมานิสัยเป็นอันกระนับเพราะฉะนั้นต้องถ อ, อนใสยใหม่ถ้าเลยสองเลตุบาทออกไปแล้วอาจารย์และอุปชาถ้าล่วงสองเรตุบาทไปแล้วอยู่ในวิหารอื่นนิสัยย่อมกระนับเลยทั้งอาจารย์ทั้งอุปชา์นั่นแหละ แต่อาจารย์เพื่อนจากศาสนาและถึงกาละและไปเป็นเดรัจฉีนิสัยระงับในขณะนั้นแท้แต่ว่าท่านล่วงวัดไปว่าเอาสองเลตุบาทปิจารวัตแต่ว่าถ้าตายไปเป็นเดรัจฉีตัว่าศึกก็นิสัยระงับทันทีแต่ในอาจารย์ประนามอันเทวสิษฐ์ผู้ไม่ประพฤติชอบด้วยคำเป็นต้นว่าปะนาเมมิตังเราขอปะนามเธอนั้น ถ้าแม้อาจารย์อยากจับปล่อยผบเสียด้วยประนามนิสัยแม้อันเทวสิธิ์ยังมีอะไรอยู่ว่าแม้อาจารย์ประนามเราเสียกว่าจริงแต่ท่านยังมีหาวุไัยยังอ่อนอยู่ดังนี้นิสัยไม่ระงับถ้าแม้อาจารย์มีอะไรอยู่อันเทวสิธิ์ไม่มีอะไรปลงธุระเสียว่าทีนี้เราจับไม่อาศัยท่านนี้อยู่แม้ดังนี้ก็ยังไม่ระงรับเหมือนกันด้วยทั้งสองมีอะไรอยู่ไม่ระงรับแท้ ข้างส่ายใดฝ่หนึ่งยังมีอะไรอยู่นี่ก็ยังไม่ระงรับเมื่อทั้งสองกรงธุระเสียจึงระงรับนี้ต่างจะอุปชานอุปชานี่ท่านประนามแล้วก็เป็นอันระงรับแต่ว่าอันนี้ยังต้องอยู่กับว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรอันเตวสิกอาจารย์ประนามเสร็จแล้วพึงทำธนกรรมตนเองให้ท่านอดโทษสามครั้งถ้าท่านไม่อดโทษไปพึงปฏิบัติโดยในดังกล่าวแล้วในอุปชาเถิด เชื่อว่าถึงซึ่งการตั้งลงท้อมด้วยอุปชานั้นหมายถึงว่าได้ไปพบปะเจ อ, เอกันกับอุปชาเพึงรู้ด้วยการเห็นและการได้ยินการที่นิสัยจากอาจารย์จะระนับเมื่อได้พบอุปชาก็คือได้เห็นหรือว่าได้ยินเสียงของอุปชาคือถ้าว่าสัตวที่วิหาริกอาศัยอาจารย์อยู่ได้เห็นอุปชาไหวเจดีย์อยู่ในวิหารอันเดียวกัน หรือไปบินธบาตในบ้านเดียวกันนิสัยก็ระงับจากอาจารย์อุปชาเห็นแต่ว่าสัิจิหาริกไม่เห็นไม่ระงับต้องเป็นฝ่ายสัจจิหาริกที่เห็นเห็นอุปชาเดินทางไปหรือว่าไปในอาตารู้ว่าเป็นพิกจุแต่ไกลไม่รู้ว่าเป็นอุปชานิสัยก็ไม่ระงับถ้ารู้จึงเป็นอันระงับอุปชาอยู่บนปร า, าสาทสัิวิหาริกอยู่ข้างล่างไม่เห็นอุปชาเลยฉันเข้าต้มแล้วก็หลีกไป หรืออุปชานั่งอยู่ในโรงฉันไม่เห็นท่านเลยฉันอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็หลีกไปหรือแม้อุปชานั่งอยู่ในมณดบเป็นที่ฟังธรรมไม่เห็นท่านเลยฟังธรรมแล้วก็หลีกไปอันนี้นิสัยก็ไม่ระงับแนะอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่าไม่เห็นชาจิหะเล็กไม่เห็นอย่างนี้และึงรู้เถอการตั้งลงพร้อมด้วยการเห็นอุปชาแต่ตั้งลงพร้อมด้วยการได้ยินเสียงนั้นอย่างนี้ ได้ยินเสียงอุปชาแสดงธรรมหรือว่ากระทำอนุโมทนาอยู่ในวิหารหรือในระแวกบ้านจำได้ว่าเสียงอุปชาของเรานี่ดังนี้นิสัยก็ระงับเลยนิสัยจากอาจารย์ก็ระงับแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ระงับอันนี้วิจิัยในนิสัยระงับจากอาจารย์สาธิวิหาริกนั้นหรือว่าอันเตวาสิกก็ตามประกอบด้วยองค์อันเป็นโทษห้าอย่างนี้นะต้องประนามนะ ข้อที่หนึ่งนาทิมัตังเตมังโหติไม่มีความรักยิ่งในอุปัชฌาอาจารย์ข้อที่สองนาทิมัตโตภาษาโดโหติไม่มีความเลื่อมใสยิ่งในอุปัชฌาอาจารย์อันที่สานาทิมัตตาหิรีโหติไม่มีความละอายอย่างยิ่งในอุปัชฌาอาจารย์ข้อที่สี่นาทิมัตโตคาระโวโหติไม่มีความเคารพอย่างยิ่งในอุปัชฌาอาจารย์ข้อที่ห้าก็คือนาทิมัตตาภาวนาโหติ ไม่มีความเจริญเมตตาอย่างยิ่งในอุปชฌาอาจารย์สัตธิวิหาริกและอันติวสิทธิ์ประกอบด้วยโทษห้าอย่างนี้นควรประนามถ้าอุปชฌาอาจารย์ไม่ประนามเสียก็เป็นโทษต้องทุกข e ์กดอุปชฌาอาจารย์ก็ต้องอบัสด้วย น, นะถ้ามีลักษณะอย่างนี้แล้วไม่ประนามส่วนสัตธิวิหาริกอันติวสิทธิ์ประกอบด้วยองค์เป็นคุณห้าอย่างก็คือมีความรักยิ่งในอุปชฌาอาจารย์มีความเลื่อมใสอ ย, อย่างยิ่งในอุปชฌาอาจารย์มีความระอายิ่งมีความเคารพอย่างยิ่ง แล้วก็มีการเจริญเมตตาอย่างยิ่งในอุป a า h a อาจารย์พร้อมได้องค์คุณอย่างนี้นี่ไม่ควรประนามถ้าอุป acha าอาจารย์ปะนามเสียเป็นโทษต้องอบัติทุกฎกสัตถิวิหาริสอันเตวสิกอันอุป a า h a อาจารย์ประนามเสียแล้วพึงขอขมาโทษท่านดังกล่าวในก่อนถ้าไม่ขอขมาโทษต่อท่านต้องอบัตทุกกฎอุป a า h a อาจารย์เล่าอันอันเตวสิกหรือว่าสัตถิวิหาริสขอขมาโทษ ไม่ยอมอดโทษให้ต้อง อ, อ, อาบัตทุกดเหมือนกันอันหนึ่งพิสูจนเป็นคนฉลาดองค์อาจเป็นผู้หูตูดทรงคุณเป็นต้นว่ารู้อาบัตและอนาบัติรักษาตนเองและผู้อื่นได้มีภาษาแต่สิบขึ้นไปจึงควรเป็นอุปชาและอาจารย์ให้นิสัยแก่พิสูจและสามเณรได้อันหนึ่งพิสูจเป็นคนฉลาดองค์อาจก็คือสามารถนั่นเอง เป็นผู้สูตรทรงคุณเป็นต้นว่ารู้จักอาบัตและอนาบัติรักษาตนเองได้และมีปภาษาแต่ห้าขึ้นไปจึงเป็นนิสัยมุตตะก็ะคือพนนิสัยได้ถ้าไม่ฉลาดแม้มีรรษาถึงสิบก็ไม่เป็นนิสยามุตตะไม่พ้นจากนิกสัยภิกษุยังไม่เป็นนิสยามุตตะจะไม่อาศัยอุปชาอาจารย์ถือนิสัยอยู่ได้ก็แต่พิสูตไข้ ที่ตุผู้อุปทาอันที่ตุไข่อ้อนวอนให้อยู่และที่ตุผู้เดินทางและที่ตุผู้อยู่ป่าสี่บุคคลนี้ที่ตุไข่อย่างหนึ่งที่ตุอุปทาที่ตุไข่ซึ่งที่ตุไข่ขอร้องไว้แล้วก็ที่ตุเดินทางที่ตุอยู่ป่าเนี่ยเมื่ออยู่ป่าแล้วกําหนดผาสุวิหารก็คือได้ํสมถะวิปัสสนาอย่างอ่อนเหล่านี้เมื่อไม่มีผู้ให้นิสัยไม่ถือนิสัยอยู่ก็ควรเพราะพระองค์ทรงอนุญาตไว้ไม่เป็นอาบัต พิจูนอกนั้นจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ควรแต่พิกจุผู้อยู่ป่าให้ภูกใจว่าการใดผู้ให้นิสัยที่สมควรมาเราจะอาศัยท่านนั้นอยู่อาจารย์ผู้ให้นิสัยถ้าให้นิสัยแก่พิจูที่เป็นอรัตชีก็ต้องทุกข์กดและพิกจู น, นมถ้าจะถือนิสัยอยู่ในพิกจุที่เป็นอรัตชีเล่าก็ อ, อบับดับทุกข์กดเหมือนกันเพราะเหตุนั้นทั้งอาจารย์และพิกจู น, นมเมื่อยังไม่เคยให้นิสัยและเคยอยู่ด้วยกันพึงหยุด คอยดูว่าจะเป็นสภาฆ่ากันหรือไม่เป็นสภาฆะอยู่สักสี่ห้าวันก่อนด้วยพระองค์ทรงอนุญาตไว้ดังนั้นไม่เป็นอาบาดแก่ที่ตัวหนุ่มซึ่งหยุดคอยอยู่นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัดตักตาฐานจบเรื่องของข้อวัด ต, ต่างๆสำหรับการถือนิสัยในยุคนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังที่ด้านแสดงแล้วยุคไหนไปแล้วแต่ผู้ที่ให้นิสัยจะต้องมีความฉลาดมีความสามารถเป็นผู้สูตแล้วก็มีภาญาสิทธ ขึ้นไปเนี่ยนั้นความฉลาดความสามารถนี่ต้องมีองค์มีองค์ของความเป็นผู้ฉลาดผู้สามารถนอกจากรู้ว่าอะไรเป็นอาบัติอานาบัติแล้วก็ยังจะต้องมีความรู้ในพระไตรปิฎกในพระสูตรในพระวินยัยโดยเฉพาะของพระวินัยนี่ต้องทรงวิพังทั้งสองคือพิจตุวิพังกับพิกตุณิวิพังด้วยเพราะฉะนั้นนีถ้าตอนนี้ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอแล้วก็พระพิจตุก็ไปถือนิสัยกับพิกตุที่ ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอนั้นไปให้นิสัยก็ต้องอบัติเพราะนั้นพิกจุจะต้องพิจารณาดูว่าเหมาะควรจะไปถึงนิสัยไหมถ้าไม่มีคุณสมบัติก็ยังไม่ควรไปถึงนิสัยเพราะนั้นขณะที่รอหาพิจุที่มีคุณสมบัติอยู่พร้อมที่จะให้นิสัยได้ถ้ายังไม่มีนี่พิกจุที่แสวหาอยู่ก็ยังไม่มีอบัติอันนี้ก็เป็นวัดตัดตถาวันนี้ก็สมควรแต่เวลาใครท่านทั้งหลายอาศัยความเอื้อเฟื้อในการศึกษาพระวินยัย เพื่อจะได้เกื้อกูลแต่พระธรรมก็คือนี่ไหนก็เป็นไปในเรื่องของศรรีลจะเพื่อกูลแต่พระธรรมในการอบรมจิตให้สงบจากนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็เพื่อกูลจากการอบรมนิพพสนเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสุธรรมก็ขอให้ศีลเป็นบาตแต่สมถะคือสมาธิสมาธิก็จะเป็นฐานเป็นกําลังของนิพพานาเพราะว่า พ, พระพุทธเจ้าแสดงว่าบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ว่าคนที่จะสงบดังนับตั้งมั่นได้โดยที่ ไม่มีความเดือดร้อนกินเนงแข็งใจเลยก็ต้องมีสินที่ดีเพราะฉะนั้นสินก็เป็นสะพานแกส่สมาธิสมาธิก็เป็นสะพานแก่วิปัสสนาประชุมสินสมาธิปัญญาก็ทำให้สามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดก็ขอให้ท่านถึงวันที่หมดสิ้นกิเลสเป็นพระอริยบุคคลพ้นจากวัตทุขุกในเร็วพรานด้วยเถอสาธุสาธุสา ธ, สาธุอนุโมทาี้